รู้สึกกายยืนด้านออนแขนงเคร่งตึงรู้สึกใจสบายไม่สบายอมันก็ไม่มีเรื่องมากละถ้าหากว่าเรารู้กันแค่นี้นะแต่ถ้าหากเราเป็นผู้แสวงหาความไม่ความไม่ทุกข์มันง่ายนะเ่อรู้อยู่แค่สองหลักเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจใ น, นี้ชีวิตวันในที่เราทำกันอะไรมากมาย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 ซึ่งนามรูปนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาในใจอืมฉันใช้คาว่าการัชกาย น, นั้นเองการปฏิบัติเราก็เพื่อที่จะสลัดทั้งกายนอกกายในทิ้งข้าไปให้มันเหลือแต่นามล้ว น, วนเป็นนามที่เป็นไม่ปรแด่ ง, งรูปที่มันไม่ปรแด่งเขาเรียกว่าเป็นปรมาตนามที่ไม่ประดังเขาเรียกว่าเป็นปรมัต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 อยู่เฉพาะหน้าที่มันมีสิ่งที่มากระทบอยู่เฉพาะหน้าเสียงที่มากระทบเราก็ไม่ได้อยู่กับเสียงจริงๆ ร, รูปที่มากระทบเราก็ไม่ได้อยู่กับรูปจริงๆหิงนเริศสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบเราก็ไม่ได้เห็นมันจริงๆเรากลับไปสร้างเรื่องราวใหม่ไปเรื่อยๆไปเลยนี่คือเราก็ ล, ลืม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 แต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นเพรานั้นนามว่าพุทธะจิงชื่อของพุทธองค์นี้ได้นามเพราะเด็กเขาเรียกพระองค์พุทธจิพุทธะคำว่านามพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นคือพุทธองค์พุทธะสัพพุทธะสัสดาพุทธะโคธมพุทธะไม่มีเจ้าแต่เราติดเจ้ามานานอะไรดีก็ว่าเอาเจ้าใส่เข้าไปหมดพวกครั่งทั้งหลาย